ทุกที่ไหนจากมาถูกต้องเราผู้ไม่ได้ทำบาปกรรมเล่านี้เป็นความอุ่นใจประการที่สมที่เขาได้รับก็ถ้าเมื่อคนทำความชั่วก็ไม่ชื่อว่าเป็นอันทาใสในกรณีนี้เราก็มองเห็นตนเป็นผู้บริสุทธ์ทั้งสองด้านนี้เป็นความอุ่นใจประการที่สี่ที่เขาได้รับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้นับถือลลัิศาสนาหรือหลักคาสอนใดๆ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 ทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบาเพ็ญทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำไวด้ดีทำไว้ชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีปรโลกไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีส่วนสมณะพรามอีกพวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิที่เป็นข้าศึกโดยตรงกับสมณะพรามพวกนั้นทีเดียวว่า